เมื่อตอนต้นนี่เราพูดถึงความฝันของพระเจ้าวิการธรรมทิศครับแล้วก็ได้ไปพาดพิงถึงความฝันของพระเจ้าประสิทธิ์ที่โฮสเมืองโกศลคือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการศึกษาศาสตร์ของพยากรณ์เนี่ยนะคะคผู้ศึกษาจําเป็นต้องศึกษาทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการพยากรณ์ด้วยตัวเลขช่วดิอศาสตร์หรือสูบินศาสตร์นะคะถ้าเร า, าศึกษาแตกชานแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าศาสตร์เหล่านี้เนี่ยใช่ว่าจะเป็น เรียกว่าสาสตรที่ปราศจากเหตุผละนะคะคือมันมีความผูกพันอย่างมีเหตุมีผลและเป็นหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกันะนะคะคือความฝันต่างๆเนี่ยมักจะระบุในคมภี์พิชัยสงครามแล้วก็ปุโรหิตราชาจารย์ทั้งหลายนี่นะคะอาจารย์ของราชาทั้งหลายต้องเรียนรู้ทั้งหมดเลยะนะคะเพื่อที่จะตอบคําถามต่างๆกันนะคะแต่ ตามที่ได้เรียนได้ทราบมาปรามเขาก็แยกแยะว่ากันสุบินเป็นยามยามไปจะเกิดขึ้นภายในเวลาเท่าไหร่เท่าไหรนะคะแต่ว่าความฝันของพระเจ้าปรเสนที่โกลซึ่งถ้าจะบอกไปแล้วเนี่ยในตําราอนาคตวงนอนาคตวงเนี่ยก็ได้บอกไว้แล้วว่าพระเจ้าปเสนิโกศลเนี่ยคือพระโพธิสัตว์ซึ่งจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหนึ่งใน10องค์ต่อจากพัทลักกับนี้ดังนั้นความฝันของพระองค์เนี่ยไม่ใช่ธรรมดา ก็ทรงมีความหวานวันเป็นกําลังนะคะแล้วก็การพยากรณ์เนี่ยก็พยากรณ์ไม่ใช่ธรรมดาเพราะว่าความฝันความฝันของพระองค์เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นว่าจะเป็นอันตรายกับราชสมบัติอันตรายกับพระมเหสีหรือวระชนชีพของพระองค์การความฝันของพระองค์อันนี้เนี่ยเมื่อพระนางมาลิกาเนี่ยได้ไปทูลถามสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าความฝันของพระเจ้าเปรตที่โกศลม่ได้เกิดในราชการของพระองค์แต่ จะไปเกิดในภายภาคหน้าคือกึ่งพุทธกาลไปแล้วคือนับแต่2500ปีไปแล้วในช่วงเราเนี่ยปีนี้สองพน่สิบเะครับซึ่งในส่วนหนึ่งของการพยากรณ์ความฝันอันนี้เนี่ยได้แอนได้ออกากาศไปบ้างแล้วนะคะ ใ, ในตำนานพระพุทธเจ้าเรียบโลกรหรือตำนานพระเจ้าเรียบโลกนะเป็นประษาพื้นเมือนี่ยนะคะซึ่งความฝันอันที่น่าสนใจมา ก, กค่ะคุณชุวิเพราะว่าพระเจ้าวิกรลงมาทิศเนี่ยฝันว่าขี่โค เราวิ่งตะ บ, บึงประทานใต้นะคะคแต่ว่าความฝันที่น่าสนใจของพระเจ้าประเสนทีทพ่พระพุทธองค์มีพุทธธรรมนายในเกิดพุทธกาลเนี่ยคือฝันเห็นโคอุสุภราชสีดำสี่ตัวมาจากสีทิศทําอาการเหมือนจะชนกันที่หน้าพระลานหลวงครั้นมหาชนมามุงดูโคอุสุภราชทั้งสี่ทำทีเหมือนจะชนกันจริงๆส่งเสียงคำรามร้องอกึกก้อง แล้วก็ถอยหลังไปไม่ชนกันทรงมีพุทธประการว่ากึ่งพุทธการไปแล้วนี่นะคะคจะมีเมฆตั้งขึ้นในทั้ง4ทิศเสียงฟ้าลั่นอยู่คืนๆทาทีเหมือนฝนจะตกนะแต่ว่าก็มีตกเกิดการเสียหายแกพืชผลข้าวยากหมากแพงในประเทศนะคะอันนี้ก็คือมีความหมายว่าความที่คนทั้งหลายเนี่ยเริ่ม นะคะเริ่มกระทำตาม <ใน S 2> อำนาจาแห่งความโลภตัณหาเบียดเบียนลาวีประช า, าราชนะคะคือผู้แงผู้บริหารบ้านเมืองเนี่ยคือไม่ตั้งอยู่ในความยุติธรรมเทวดาที่รักษาโลกก็จะคึงเครียดไม่พอใจ บ, บันดาลสิ่งที่ไม่วัฒนาภาสุขให้เกิดขึ้นนะฮะก็ผู้ง่านททำให้เกิดเทวดาก็จะบันดาลให้เกิดเหตุวิปริตต่างๆเช่นในฤดูที่ฝนจะตกกลับให้แดดออกในการที่แดดออกกลับให้ฝนตก คือรถแผ่นดินซึมลงไปใต้แผ่นดินพืชข้าวกล้าถั่ว ง, งาที่ปลูกก็ไม่งอกไม่งา ม, มาแมลงก็จะมากินดูดรากลำต้นแห่งพืชบ้างละไม่เกิดความเสียหายบ้างอันนี้ก็คือความหมายอของความฝันข้อแรกซึ่งซึ่งแอนได้ได้เล่าไปไปแล้วนี่นะคะก็มีอยู่คำหนึ่งทีพรอบอกว่าบางครั้งเนี่ยประชาชนได้ยินเสียงฟ้าฟ้าร้องกับสว่างหายไปหาน้าฝนไม่ได้บางแห่งก็แห้งแล้งบางแห่งก็ตกจนท่วม มมพอดีไีไ่ภาษีก็แพงขึ้นเพิ่มทวีขึ้นทุกเดือนนะคะ่ะก็แหม น, นี่ก็เป็นความฝันอันหนึ่งนะคะสุบินว่าเห็นต้นไม้และกอเล็กๆขุดขึ้นจากดินจเจริญขึ้นโดยลําดับพริดอกออกผลในขณะที่ยังเล็กๆอยู่ในประการที่2สองอสมมีพุทธทํามนายว่าโลกสมัยต่อไปก็จะเสื่อมครับึ่งพุทธกาลไปแล้วอายุคนจะสั้นลงแต่กิเลกกับมากขึ้นจะสมสู่กันแต่เล็กๆ มีรูปมีหลานตั้งแต่อายุน้อยเหมือนต้นไม้เล็กมีดอกผลเอาตรงไหมคะคุณชูยอยู่โอ้ฟังแล้วให้สะท้อนใจนะคะแล้วมันเกิดเรื่องแบบนี้นะอาจารย์ครับถ้าท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่ฟังอยู่นี่นะครับสมัยก่อนที่ท่านเป็นเยาวชนในปีใกล้ๆกับพุทธศักราช2500คือยังไม่ข้ามกึ่งพุทธกาลมาเนี่ยนะค่ะเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่เคยได้ยินนะไม่มีให้เห็นด้วยซ้ําไปและจริยธรรมการปฏิบัติตัวของคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นแบบอย่างจนเด็กๆต้องปฏิบัติตามะนะครับแต่ทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมันเข้าไปสู่ความฝันสู่วินมิตของพระเจ้าพระเศวติโดยแท้เลยนะค่ะข้อที่3แม่โคโดูดนมลูกโ ค, คซึ่งเกิดในวันนั้นทรงมีพระพุทธธรรมนายว่าต่อไปการเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ก็ดีครูบาอาจารย์พ่อแม่ก็จะเสื่อมถอยลงผู้เจ่ากับต้องประจบเด็กเหมือนแม่โคดูดนมลูกโคฉะนั้นเดี๋ยวนี้โอ้โหเด็กนะคะ ประหวัดผู้ใหญ่นินทาคุบานาจขาะสัมมาคารวะยืนค้ำหัวเราจะพูดเนี่ยผู้ใหญ่ต้องแงนหุกแกนหน้าคุยด้วยอาจจะหยิบของก็เอามือปาดผ่านหน้าผ่านศีรษะผู้ใหญ่นี่เป็นอาการที่ผูองค์มีพุทธทํานายไว้แล้วเหมือนกันเป็นการจาบจุวงนะฮะถือถ้าเด็กคนไหนทํำเนี่ยถ้าวัยเด็กเป็นอย่างนี้โตไปก็พฤติกรรมก็คงมากขึ้นไปเรื่อยๆข้อที่สี่สุบินว่าคนเอาวัวกําลัง คือเรียกว่ากําลังแบบคึกคักบัวนมนี่ยนะคะคปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยประไว้ไม่เข้าทีมแอกเอาไปโครุ่นไปเอลโครุ่นที่ปราศจากกาลังเนี่ยมาใช้โครุ่นนั้นเมื่อไม่สามารถนําเกวียนเล่นได้ก็สลัดแอกทิ้งทรงมีพุทธพยากรณ์ว่าต่อไปผู้มีปัญญามีความสามารถไม่ได้รับการยกย่องในหน้าที่ราชการครับ แต่ยศศักดิ์จะถูกนำไปให้แก่หนุ่มโง่ๆซึ่งไม่สามารถจะปฏิบัติราชการให้ดีได้ก็คือได้แต่ประจบสอพลอพูดเก่งอย่างเดียวเเหมือนคนปล่อยโคมีกำลังออกแนะนำโครุ่นมาเทียมแทนก็เด็กฝากเด็กเส้นอย่างที่คุณจะยุทธว่านะคะข้ามหัวคนที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็นเวลานานคุณอาวุธสูงกว่าประสบการณ์สูงกว่าครับทั้งหมดนี้เกิดกึ่งพุทธการไปแล้วทั้งนั้นนะคะครับ ทรงสุบินตอบว่าเห็นม้าตัวหนึ่งมีปากสองข้างคนสองคนยื่นข้าวกล้ามาให้ม้าคนละปาก<ะ>ม้าก็เคี้ยวข้าวกล้าที่ปากสองข้างนั้นทรงมีพระพุทธธรรมนายว่าต่อไปผู้ใหญ่ในประเทศจากโลเลไมยุติธรรมรับสินบนจากคู่ความทั้งสองฝ่าย<ะ>แล้วตัดสินตามใจชอบของตนเอาแต่สินบนเป็นประมาณเหมือนม้าเคี้ยวข้าวกล้าด้วยปากทั้งสองข้างฉะนนั้นอาจารย์ครับสุบินนิมิตประการนี้เนี่ย ไม่ทราบว่าเกิดขึ้นในปีไหนน ะ, ะคือแอนก็กกว่าไปตามนะคะเพราะมั น, น, นะะชัดขึ้นไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพระอินทร์จึงได้มีพยาขอภาอภัยพระพระพุทธเจ้าจึงได้มีมีพุทธ พ, พุทธพยากรณ์กับพระอินทร์ว่าในการยามนั้นครับในบริเวณเมืองเดียวกันครึ่งหนึ่งฝนจะตกเล็กน้อยอีกครึ่งหนึ่งฝนจะไม่ตกเลยและอีกส่วนหนึ่งฝนจะตกมากในช่วงที่มีการรับสินบาทค่าศินโบนเนี่ยนะฮะ แล้วก็ไม่ตัดสินความโดยความเป็นธรรมเหมือนม้าสองหัวไม่มีความยุติธรรมในการตัดสินพิจารณาส่วนหนึ่งจะแห้งแล้งตอนนี้มันแห้งแล้งอยู่ที่ไหนนะครับคำตอบที่คุณจะยุตธรรมแอนว่าอีกส่วนนึงมันท่วมใหญ่เลยนะครับเพราะว่าผมฟังแล้วใจสั่นเลยฮะอาจารย์ครับ ประการที่6คนเอาถาดทองคําราคาแสนตําลึงไปใหสุนัขจิ้งจอกและสุนัขนั้นก็ถ่ายปัสสาวะในถาดทองคํานั้นทรงมีพระพุทธธรรมนายว่าต่อไปคนดีมีตระกูลจะยากหลายสิ้นอํานาจวาสนาคนตระกูลต่ําจะได้เป็นใหญ่ผู้มีตระกูลจะต้องยกลูกษาใหแก่ผู้ไม่มีตระกูลเมื่อสุนัขจิ้งจอกถ่ายปัสสาวะลงในถาดทองคํานั้นก็ดูเอาเถอะนะครับทุกวันนี้เนี่ยมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายและเกิดนะครับ ข้อที่7สุบินว่าเห็นบุรุษคนหนึ่งนั่งฟันเชือกอยู่บนตังย่อนปลายเชือกที่ฟันแล้วห้อยไปใต้ตังสุนัขจิ้งจอกตัวเมียนอนอยู่ใต้ตังหิวจัดได้กัดกินเชือกที่บุรุษฟันนั้นเรื่อยๆไปยิ่งฟันก็ยิ่งหมดไปทุกทีบุรุษนั้นหารู้ไม่ครับทรงมีพระพุทธธรรนายว่าต่อไปหญิงทั้งหลายจะเลาะแหลกกับผู้ชายชอบเสพสุราชอบซื้อแต่เครื่องประดับตกแต่งตนชอบทําเสน่ยาแฝดไม่ได้เหลียงแลกการบ้านกับมีกิก s <c oughs> ชอบครบชูรจะผานทรัพสามีอันหามาได้ด้วยความลำบากให้หมดสิ้นไปเมื่อ น, นางสุนัขจิ้งเจ่าวิวจัดเคี้ยวเชือกที่ประลุ่ฟันนั้นให้หมดไปครับวันนั้นผมได้ติดตามดูรายการทีวีรายการหนึ่งซึ่งต้องยอมรับว่าคณะผู้ชทำเนี่ยมีความตั้งใจมากนะครับแล้วก็อาจจะเหมือนกับเสี่ยงพอสมควรนะฮะเพราะรายการหลุมดําเนี่ยเป็นรายการที่ให้ประโยชน์และสะท้อนสังคมมากนะครับรายการนี้ได้ชี้ให้เห็นในความตอนหนึ่ง ถึงสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางความคิดโดยเฉพาะเด็กที่เป็นเด็กสาวในรุ่นปัจจุบันนี้นะครับก็ผมเองไม่ได้มีความรู้สึกไปตำหนิหรืออะไรนะเพียงแต่ว่ามันทำไมมาสอดคล้องกับพระสุบินนิมิตของพระเจ้าประเศณที่มากขนาดนี้นะอาจารย์มันไปถึงตรงนั้นแล้วนะครับอีกข้อหนึ่งนะคะเพราะว่ามันก็แปดพรุ่งนี้จะได้ต่ออีกข้อที่เหลือสุบินว่าได้เห็นกระออมใหญ่ใบหนึ่งมีน้าเต็ม และมีโอ่งเปล่าล้อมกระออมอยู่หลายใบมีคนตักน้ําจากแปดทิศเทลงในกระออมที่มีน้ําเต็มอยู่แล้วไม่ใส่โอ่งเปล่าน้ําในกระออมจึงไหลล้นออกมาคทรงมีพุทธธรรมนายว่าคนที่รวยอยู่แล้วยิ่งมีคนยากจนมาหาไรายได้ให้มากขึ้นหมายความว่ายิ่งรวยอยู่แล้วเนี่ยก็หาไรายได้จากคนยากคนจนแล้วก็ คนจนเนี่ยก็จะตกเป็นเครื่องมือของคนรวยทำให้คนรวยนั้นขยายอำนาจมากมากขึ้นเหมือน<ม>คนตักน้ำใส่กระออมที่มีเต็มอยู่แล้วเนี่ยตักให้มากขึ้นไปอีกคุณยึดลองแปลดูสิคะครับไม่ต้องแปลเลยฮะก็เห็นชัดๆอยู่แล้วถ้าจนนี่ก็เรียกว่าจนเป็นขมารพัน์จนดัดดานจนตลอดไปแล้วก็แล้วก็มาส่งเสริมบารามีของผู้ที่รวยอยู่แล้วมีบารามีอยู่ ถ้าจะว่าไปแล้วนะครับดินแดนแห่งพุทธศาสนาในอดีตเนี่ยก็อาจจะเราอาจจะพูดไปถึงที่อินเดียที่เนปาล น, นะครับหรือว่าที่ศิีลังกาแต่ทุกวันเนี่ย พ, พุทธพุทธศาสนาได้ปลูกปักลงบนแผ่นดินสยามลงบนกรุงรัตนโกสินทร์ของเราจนเจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันนี้200กว่าปีนะครับที่สําคัญก็คือว่าทุกวันนี้พุทธศาสนาหินยานเทราวาสเนี่ยมีมากที่สดุดคือเป็นดินไทยของเรานะครับ okay. เพราะฉะนั้นผมเองเป็นความเห็นส่วนตัวนะฮะไม่ต้องไปพาดพิงใครที่ไหนนี่นะครับก็คิดว่าประสุบินนิมิตของพระเจ้าประสิิ์ที่ที่พูดถึงดินแดนในพุทธศาสนาที่จะมีความเปลี่ยนแปลงไ ป, ไปหลังจากที่พระพุทธองค์ได้เสด็จกับขันป ร, รินิพานไปแล้วกึ่งพุทธกาล 2,500 กว่าปีปีนี้พุทธศักราช 2,549 เลยครับเหตุต่างๆ8ประการ ม, า ม, ามันเกิดะะเป็นลำดับลำดับม า, <Okay. S 1> มาเรื่อยมาร่อแต่จริงๆแล้วนะครับพรุ่งนี้ผมก็ต้องขอให้จารย์แอนได้อธิบายด้วยนะครับว่า เกิดเหตุทั้งหลายเหล่านี้พุทธศาสนาชนจะอยู่เป็นสุขได้อย่างไรจะทั้งหมดนี้แก้ได้ตามแนวทางที่พระเจ้าวิกรธราทิศได้แก้ไว